ข้อความในจริยาปิดอกต่อจากครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการให้ทานเป็นหลักนะถือว่าทานบารมีเป็นหลักส่วนบารมีอื่นๆก็เป็นบริคารเป็นบริวารแห่งการให้ทา น, นี่มาเน้นพิเศษคือศีลลบารมีคําว่าศีลศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นทบทวนบ้างนะศีลคืออะไร บอกว่าศีลคือเจตนาเจตนาคือศีลเจตนาที่แบ่งออกเป็นกี่อย่างสองอย่างนะเนเจตนาที่มุ่งจะเว้นกับเจตนาที่มุ่งจะปฏิบัติเจตนาที่มุ่งจะเว้นก็คือเจตนาที่มุ่งจะเว้นจากความชั่วทั้งหลายเว้นจากกายทุจริตเว้นจากวาจีทุจริตเป็นต้นส่วน เจตนาที่เป็นการปฏิบัติก็คือเจตนาที่มุ่งรักษาเจตนาที่มุ่งปฏิบัติอาจเรยวัดอุปชายวัดประพฤติวัดในการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นศีลทั้นศีล น, นี่จึงแบ่งออกเป็นศีลที่งดเวน้นกับศีลที่ปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าการเว้นไม่ทําอะไรเลยก็มีโทษเช่นการไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษ ข้อความในหัตถนาควัรที่สองแห่งจริยาปิดกศีละวะนาจริยาข้อ11หน้า234พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นกุลชรช้างเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานในการละครั้งนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีละคุณของเรา สำหรับท่านแล้วในแผ่นดินทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่สำหรับท่านนอกจากศีลศีล น, นี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกในแผ่นดินท่านมองว่าศีลของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินพรานตั้งแต่เขาบอกว่าคนที่รักษาศีลจะต้องมองเห็นคุณของศีลเสมอด้วยแผ่นดิน ในครั้งนั้นนพรานป่าเข้าไปพบเราในป่าแล้วก็ได้กลับไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่หรือมหาราชาน่นะช้างมงคลอันสมควรเป็นช้างพระที่นั่งทรงมีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแม้การปักเสาตะลุงและการขุดลุมลวงก็ไม่ต้อง ในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมาณที่นี้เองพระเจ้าขางนะช้างป่าอในพรานผู้อักตันอยู่ไปกราบทูลให้พระราชาทราบเพื่อจะไปจับพญาช้างนั้นมาฝ่ายพระราชาได้ฟังคําของในพรานป่านั้นแล้วก็ดีพระไทยทรงส่งควานช้างที่เป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้ว ควานช้างนั้นไปแล้วก็พบช้างกำลังเนาะกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสะบัวหลวงเพื่อต้องการเลี้ยงมารดาเนี่ยนะก็ถอนเอาเง่าบัวบริโภคเสร็จแล้วก็กรวบรวมเอาส่วนหนึ่งไปเลี้ยงมารดาควานช้างเนี่ยรู้สีละคุณของเราพิจารณาดูลักษณะแล้วก็กล่าวว่ามา น, นี่นะี่ลูกช้างแล้วได้จับที่งวงของเรา ในการนั้นกำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กาลังของเรานั้นเสมอเหมือนกับกำลังช้างพันเชือกช้างตัวนี้เนี่ยนะกำลังของท่านเท่ากับช้างปกติพันเชือกเป็นช้างที่มีกำลังมากถ้าเราโกรธแก่ความช้างเหล่านั้นผู้เข้ามาใกล้เพื่อจะจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่าเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์ อย่าว่าแต่พวกขบวนเหล่านั้นเลยใครว่าไปเหยียบย่ำทั้งบ้านเมืองก็ทำได้แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่เอาไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่ทำจิตกโกรธเคืองเพื่อจะรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกซัด เราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดชนี้แล้วรักษาศีลมากยิ่งกว่าชีวิตพันชีวิตของเราผู้อื่นจะทําอย่างไรก็ช่างเธอจะเบียดเบียนขนาดไหนก็ช่างเธอเราจะไม่โกรธเขาถ้าเรากโกรธแล้วศีลของเราจะขาดในอัตตกถาศีลวั น, นาคจริยาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ พระองค์ถือกำเนิดปฏิสนธิเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างผู้เลี้ยงมารดาเรียกว่ามาตุโปสโกบำรุงมีมารดาผู้ชราและตาบอดมีแม่ตาบอด้ารกไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงในครั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยคุณของเราคือศีลคุณเนี่ยนะท่านนั้นเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในคุณคือศีล เรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์นี้ในครั้งนั้นบังเกิดในกําเนิดช้างณป่าหิมพานต์เป็นช้างที่เผือกผ่องตลอดเป็นช้างรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเป็นหัวหน้าโขลงมีช้างบริวารหน 1, ึ่งพันเชือกก็ถือว่าเป็นช้างโขลงใหญ่มากแสนเชือกนะมีช้างบริวารนี่แสนเชือกส่วนมารดาของพระโพธิสัตว์นี้เป็นนางช้างตาบอด พระโพธิสัตว์เมื่อได้ผลาผลคือผลเล็กผลใหญ่ผลเล็กผลน้อยเป็นต้นที่มีรสอร่อยเอาไว้ในงวงช้างทั้งหลายแล้วก็เลี้ยงมารดานะก็เรียกว่าส่งอาหารที่ไปสแสวงหาได้อาหารมาก็เอามาเลี้ยงแม่ช้างทั้งหลายคือช้างเนี่ยนะในขณะฐานะตัวเองเป็นหัวหน้าช้างใช่หเวลาจะเอาอาหารไปให้แม่ก็ฝากลูกน้องไป ฝากช้างบริวารไปไอช้างบริวารทั้งหลายก็ไม่เอาไปให้มารดาของพระโพธิสัตว์ไปเคี้ยวกินเสียเองนะตั้งใจว่าจะเชื่อเชื่อลูกน้องใช่ไหมฝากของไปกับลูกน้องลูกน้องแอบกินหมดเนี่ยนะไม่เหลือไว้ให้แม่เลยนัย่นที่โยมเขาเล่าบอกว่าโอ้ยได้อะไรมาลูกกินหมดเลยไม่เหลือเผื่อแม่บ้างครับอกงั้นพระโพธิสัตว์ก็คอยสังเกตดูก็รู้เรื่องราวก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะเลิก ตะละโคลงแล้วก็ไปอยู่เลี้ยงดูมารดาก็บอกไม่สนใจแล้วมีบริวารเป็นแสนบริวารไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยบริวารเนี่ยนะฝากอาหารไปเลี้ยงแม่แม่ก็อดอยู่ทุกวันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างานะแสดงว่าบริวารใกล้ๆเคียงในประจบสอบพรอ ม, มากเหมือนกันก็เลยไม่ได้เลี้ยงดูมารดาตามที่ตัวเองต้องการตกกลางคืนคืนนั้น เมื่อช้างเหล่าอื่นไม่รู้ก็พามารดาไปยังเชิงเขาจันโดรณบรรพศนะแอบนี้ไปเลยชวนแม่นี้ไปตอนกลางคืนเข้าไปอาศัยอยู่ในสะบัวแห่งหนึ่งนะแล้วก็อาศัยอยู่ในสะให้มารดาไปอยู่ที่ถ้ำนะอยู่ในถ้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆสะนั้นนะก็เป็นภูเขามีสระน้ํามีถ้าก็ให้แม่ไปอยู่ในถ้ำตัวเองก็อยู่ในถ้าด้วยนะก็เลี้ยงหาอาหาร ก็ใช้ชีวิตในการเลี้ยงดูมารดาเนี่ยเป็นหลักอยู่ร่ําอยู่เรื่อยไปอยู่มาวันหนึ่งพรานป่าคนหนึ่งหลงทางไม่สามารถจะกําหนดทิศได้ก็ร้องให้คร่ําครวญจนเสียงดังใครที่เดินลงเข้าป่าใหญ่ๆเนี่ยจะรู้ดีว่าไอ้หลงป่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเดินไปเดินมามันเหมือนกันไปหมดพอมันเหมือนกันไปหมดเฮ้ยไปยังไงเนี่ยมีพระรูปหนึ่งน่ยนะขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นเขาขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็ มันหลงทางอ่ะอีกคนหนึ่งไปโผล่เอาโคราดอีกคนหนึ่งไปโผล่เอาสะแก้วขึ้นเขาใหญ่เนี่ยพี่ประจีนเนี่ยนะขึ้นเขาใหญ่ในคนหนึ่งไปโผล่อดข้าวกันแทบตายเลยนะนั่นก็พานการหลงป่านี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็บอกมันมีเครือเถาชนิดหนึ่งเขาบอกว่าทําให้หลงทิศเหม น, นถ้าไปโดนเถาวันชนิดนี้เราทําให้หลงทิศแต่ว่าจริงๆแล้วต้นไม้มันจะดูเหมือ น, อนกันไปหมดมองตรงไหนก็ดูเหมือนกันไปหมดคลับคลายคลับคลา เชื่อพญาจิตตราชก็เลยไปกันใหญ่เลยคันนี้ก็ลื่นงหลงนะนี่ขนาดนายพรานนี่ก็หลงป่าพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของนายพรานป่านั้นจึงคิดว่าชายผู้นี้ไร้ที่พึ่งอะไรที่พึ่งก็คือคนอนาถานะร้องให้เมื่อเราเป็นอยู่หรือว่าเมื่อเรามีอยู่การที่ชายผู้นี้จะถึงความพินาศไปในที่นี้เป็นการไม่สมควร ถ้าเรายังอยู่จะให้เขาพินาฏได้อย่างไรจึงไปหาพรานตาเห็นในพรานตานี้นะเพราะความกลัวคือในพรานตาเนี่ยนะพอเห็นพญาช้างนี่ก่หนีล้ล้วกลัวก็เลยพญาช้างก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านไม่มีภยัยเพราะอาศัยเราดอกท่านอย่าหนีไปเลย เพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องคร่ำครวญอยู่แล้วเนี่ยมาร้องให้อยู่ทําไมในป่าในพรานป่าก็ตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วล้านายพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าอย่า ก, กลัวไปเลยพอคุณว่นนางเงเราจะพาท่านไป เ, เราจะพาท่านเดินทางไปในที่อยู่ของมนุษย์แล้วก็ให้ในายพรานป่านั่งบนหลังของตนนําออกจากป่าแล้วก็กลับไป ไปในพรานป่าผู้ใจบาปเนี่ยนะเาเรียกว่าพรานป่าลามกผู้ใจบาปใจเนี่ยก็พอนั่งบนบนหลังช้างก็คีดอยู่ว่าเราเนี่ยจไปพระนครกราบทูลแด่พระราชาเพราะนเวลาขี่ช้างไปก็แอ บ, บหักกิ่งไม้หักทําเครื่องหมายต้นไม้บนภูเขาเป็นต้นออกจากป่านั้นไปจนถึงกรุงพาราสีแอบบทําเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมา ในการละครั้งนั้นมงคลหัตถีของพระราชาเนี่ยตายไปในพรานป่าจึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลถึงความที่ตนเห็นมหาบุรุษคือพญาช้างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในพรานป่าพบเราในป่าแล้วก็ได้กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชช้างมงคลเป็นช้างสมควรที่พระที่นั่งทรง มีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแม้การตักเสาตะลุงและการขุดล้มลวงก็ไม่ต้องในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมาณที่นี้นี่เองพระเจ้าข้าที่เราว่าปกติแล้ววิธีการจับช้างนี่ก็ต้องมีการขุดคูเป็นต้นใช่ไหมขุดคูแต่ว่านี้ไม่ต้องเนี่ยนะเพราะว่าช้างเหล่านี้จับไม่ยาก พระราชานี้ก็ให้ในายพรานป่าเป็นผู้นำทางไปพระองค์ก็ส่งควานช้างไปด้วยบริวารมีพระนรัฐสั่งไปว่าท่านจงนำขคชสารที่นายพรานป่าบอกมาให้ได้ควานช้างนั้นก็ไปกับนายพรานป่าเห็นพระโพธิสัตว์เข้าไปยังสะบัวหาอาหารคือในสะบัวเนี่ยนะโดยเฉพาะบัวเนี่ยเวลาถอนขึ้นมามันจะมีรากมีเง่าเง้าบัวนะ หลายท่านคงเคยทานเง่าบัวแนละ้วมั้งเคยทานเง่าบัวที่เขาเอามาทําเป็นน้ําเชื่อมมั้นะเป็นน้ําเชื่อ ม, เ ป, นน เ, อมเป็นเง่าใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าโป้งมืออีกก็ใหญ่มากมันก็อาศัยถอนเอารากเง่าบัวก็คือรากบัวนั่นแหละถอนเอารากบัวนั่นแหละมามาบริโภคมาม า, มาเป็นอาหารขณะเดียวกันก็ยังถอนเอาไปเลี้ยงแม่ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้พระราชาทรงได้ยินคำของพรานป่านั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยพระองค์ก็ทรงส่งควานช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วเป็นอาจารย์ที่รู้จักลักษณะของช้างควานช้างนั้นไปก็พบช้างกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสะบัวหลวงก็เป็นการถอนเพื่อเอาไปเลี้ยงมารดาควานช้างนั้นรู้คุณอ่ น, นะรู้คุณศีลของเรา คือพิจารณารู้ว่าช้างนี่เป็นช้างที่มีคุณธรรมเป็นช้างที่มีศีลเมื่อพิจารณาดูลักษณะแล้วก็กล่าวว่ามา น, นี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงของเราบทว่าวิญญายเมศีแลคุณังคือความช้างรู้คุณศีลคุณของเราว่าช้างผู้เจริญช้างนี้เป็นช้างอาชาในเป็นช้างที่ไม่ง่เป็นช้างที่ไม่ดุ แต่เป็นช้างที่มีปกติอยู่ด้วยการไม่คลุกคลีตอบอถามว่าควานช้างรู้ได้อย่างไรบทว่าลักขณังอุปทารยิคือควานช้างพิจารณาดูลักษณะของเราโดยท่วนทีเพราะเป็นผู้มีศิละปะในการดูช้างซึ่งศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะเหตุนั้นควานช้างจึงกล่าวว่ามา น, นี่แนลูกแล้วก็จับที่งวงของเราพระโพธิสัตว์ เห็นความช้างนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอ่างนั้นน่ะตั้งอธิษฐานบารมีไว้เลยว่าภัยของเรานี่เกิดขึ้นจากนายพรานป่าผู้นี้มองเห็นแล้วว่านายพรานเนี่ยมาด้วยเจ้าพรานคนนี้แหละพามาภัยภัยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายได้เข้ามาหาเราก็เพราะอาศัยนายพรานป่าคนนี้แหละ เรานี่มีกำลังสามารถจะกำจัดช้างแม้ตั้งพันเชือกได้เราโกรธขึ้นมาพอที่จะยังเหล่านักรบพร้อมด้วยแคว้นให้พินาตลงไปได้แต่ถ้าหากว่าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดแต่ถ้าโกรธลงมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะช้างเนี่ยถ้าลองช้างโกรธขึ้นมาเนี่ยตายกันหมดแน่พันถ้าเราปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยศีลเราขาดแน่ พอมเมื่อเล่ถึงกระทําปาณาติบาตไปแล้วนี่ก็ถือว่าเสียหายเปิดประตูอบายแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดเพราะฉะนั้นอธิษฐานเลยว่าแม้ควานช้างจะเอาหอกทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธให้เขาฆ่าให้เราตายเราก็ไม่โกรธว่าไ ง, งแล้วก็ยืนโน้มศีรษะนะเรียกว่าโน้มศีรษะลงแล้วก็ยืนนิง่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในกาลนั้น กำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กำลังของเราก็เสมอเหมือนกับกำลังของช้างพันเชือกถ้าเราโกรธความช้างผู้เข้ามาจับเราเราเพึงสามารถจะเหยียบย่ำเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่เอาไว้ในเสาตะลงุงเราก็ไม่คิดโกรธเพื่อรักษาศีล เพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์ถ้าเขาพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและด้วยหอกซัดเราก็จะไม่โกรธเขาเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดเพราะว่าท่านมุ่งที่จะรักษาศีลเพราะศีลเป็นพุทธกักพุทธกักรกธรรมศีลเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าบทว่าพระเลนะสมะ สาที่สังคือกำลังของเราเท่ากับกำลังในร่างกายของช้างเหล่านั้นไม่ใช่ด้วยการเปรียบเทียบเพราะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์อุบัตในตระกูลมงคลนหัตถีเรียกว่าช้างตระกูลมังคละช้างตระกูลมังคละนี่มีกำลังเท่ากับช้างทั่วๆไปเนี่ยพันเชือกบทว่ายที่หังเตสังปกุไ ป, ปยัง คือหากเราโกรธความช้างผู้เข้ามาเพื่อจะจับเราเราพึงมีกำลังต่อสู้ในการทำลายชีวิตความช้างได้มิใช่มีกำลังต่อสู้ความช้างอย่างเดียวที่จริงแล้วแม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์เราก็จะทำลายราชสมบัติทั้งหมดของมนุษย์เหล่านั้นผู้มาโดยราชการให้เป็นผุยผงไปแต่ว่าคนที่มาทั้งหมดนี้สามารถฆ่าได้ทั้งหมด อภิจารักษ์ศีลรักขายะแม้เราสามารถจะทําอย่างนั้นได้เราก็ได้รับการคุ้มกันด้วยการรักษาศีลด้วยการคุ้มครองของศีนอันตั้งอยู่ในตนดุดผูกพันเอาไว้นะเหมือนกับมีโซ่คือศีลนล่ามเอาไว้เราไม่ทําอย่างนั้นหรอกถ้าเราทําอย่างนั้นศีนกงเราก็จะขาดใช่ไหมเพราะตอนนี้อตอนตอนแรกเขาบอกว่าเป็นผู้สมาทานเพื่อจะ รักษาศีลแต่พอได้รับเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเข้าก็มีศีลเป็นเครื่องปกปักรักษาศีลก็มารักษาให้ไหมไปทำบาปทำอกุศลทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ไม่ทำเพราะศีลมาปกป้องศีลมาคุ้มครองนะอยู่ใน อ, อ, อยู่ในการคุ้มครองของ ศีลก็แสดงว่าเป็นคนที่เคารพศีลมากบูชาศีลเคารพศีลศีลจึงสามารถคุ้มครองได้บทว่านครมิจิตเตอัญญทัตตังความว่าเราไม่ทําจิตโกรธเคืองคือเราไม่ทําวิธีการจับฟาดเป็นต้นแก่สัตว์หรือมนุษย์เหล่านั้นอันเป็นการทําลายศีลนั้นคือแม้จิตในการจับฟาดเป็นต้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลย เรีกว่าจิตน้อมไปเพื่อจะฆ่าดีมั้งน่ยนความคิดอันนี้ก็ไม่มีเราไม่ทาลายศีลในฐานะเช่นนี้ด้วยการบำเพญ็ญศีลบารมีในไม่ช้าศีลบารมีก็จักเต็มบริบูรณ์เพราะเหตุนั้นเพื่อบําเพญ็ญศีลบารมีของเราเราจึงไม่ทาลายศีลแม้ในความคิด เรีว่าจิตที่คิดเพื่อจะล่วงศีลก็ยังไม่เกิดจะกล่าวไปใยถึงการล่วงศีลเล่าถามว่าศีลของท่านมั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าทำความมั่นคงของการรักษาศีลของพระโพธิสัตวาว่าถ้าเขาทำลายเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทำลายเราใช่หมหรือเอาเราไปใส่ไว้ในที่เสาตะลุงเป็นต้นหรือจะใช้ขวานใช้หอกสัดเราก็จะไม่โกรธเขาเลย อันนี้เป็นความมั่นคงของศีลเป็นศีลที่ตั้งมั่นศีละคันดะพยามมมะเรากลัวศีลของเราก็จะขาดถ้าหากว่าเราไปทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งศีลก็ขาดปกติแล้วคนในโลกเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะศีลขาดเพราะเหตุแห่งทรัพนะศีลบางคนเนี่ยขาดเพราะเหตุแห่งญาติศีลบางคนขาดเพรา ะ, อ, ะอวัยวะศีลบางคนขาดเพราะ ชีวิตสินบางคนที่ขาดเพราะทรัพย์บางทีก็แล้วแต่จํานวนทรัพย์อ่ะนะบางคนเนี่ยมันมีมีเกรดมันมีมีราคาเหมือนกันว่าศีลของเขาศีนของบางคนมีราคาร้อยเดียวสีลบางคนมีราคาพันเดียวศีลบางคนก็มีราคาแสนหนึ่งศีลบางคนมีราคาเป็นล้านศีลบางคนมีราคาหลายล้านนะก็ศีลของบางคนเนี่ยมีค่าเท่ากับอวัยวะศีลของบางคนมีค่าเท่ากับบางคนนี่ก็เห็นแก่ญาติก็เสียสีนแล้วเนี่ยนะ บางคนก็มีค่าเท่ากัญาติบางคนบางคนก็แม้แต่ชีวิตก็ไม่ล่วงก็เพราะว่านะบางคนเนี่ยรักษาชีวิตมากกว่าศีลแต่พระโพธิสัตว์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านรักษาศีลท่านห่วงแหนกุศลศีลของท่านยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเนี่ย น, บนะบรรพโพธิสัตว์พอคิดอย่างนี้แล้วจึงยืนเฉยไม่ไหวติงควานช้างยังลงสู่สะบว เห็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วก็กล่าวว่ามะนี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงเช่นกับทวงเงินไปถึงกรุงพาราณสีเดินทางอยู่เจ็ดวันก็ไกลพอสมควรควานช้างนั้นเมื่อถึงระหว่างทางก็ส่งข่าวสารไปถวายพระราชาให้ทรงทราบพระราชาก็สั่งให้ตกแต่งพระนครควานช้างนำพระโพธิสัตว์ซึ่งมีสายรับทำด้วยกลิ่นหอมประดับประดาตกแต่งแล้วเข้าไปสู่โรงช้าง วงด้วยม่านอันวิจิตกราบทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบ